45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนกุลสมเด็จพระยาณสาังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอรินษยเนย แคกาสีซึ่งครองราชสมบัติอยู่ในราชธานีซึ่งมีนามว่าพาราณสีพระองค์ทรงพระนามว่าพรหมทัตได้ทรงมีกําลังทรัพย์กําลังคนพาหนะมากมายส่วนแคว้นที่ถัดไปชื่อว่าแคว่งโกสนพระราชาของแคว้นนั้นทรงพระนามว่าทีคีติมีกําลังทรัพย์กําลังคนพาหนะน้อยพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว่งกาสี ก็ได้สรงยกพยุหะเสนาไปตีพระเจ้าโกศลซึ่งทรงพระนามว่าทีคีติพระเจ้าทีคีติแห่งแคว้นโกศลทรงได้สลับข่าวการศึกก็ได้ทรงดำริว่าแคว้นนี้มีกำลังทรัพย์กำลังคนพาหนาหน่นน้อยไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้จึงได้ทรงพาพระมเหสีหนีออกจากนครพระเจ้าพรมทัพแห่งแคว้นกาสี ก็ได้ทรงครอบครองแคว้นโกศล น, นั้นโดยไม่ต้องมีการต่อสู้ฝ่ายพระเจ้าทีกิติแห่งแคว้นโกศลก็ได้พาพระมนเฮสีหนีไปอยู่เมืองพาราณสีซึ่งเป็นราชธานีของราชสตรโอลนั่นเองแต่ว่าก็ได้ทรงไปอาศัยอยู่ในนิเวศของนายช่างมองในโอกาสที่อยู่ชายเมืองทรงปล ong พระองค์เป็นปริภาชก ค, คือเป็นนักบวชที่นุ่งผ้าขาว เมื่อประทับอยู่มาพระมเหสีก็ประชวนพระขันก็เกิดความปรารถนาที่จะได้ทรงเห็นเสนาอันประกอบด้วยองศีในเวลาอาิตย์พุยกับทรงปรารถนาที่จะได้ดื่มน้ำล้างพระขันก็ได้ทูลแก่พระราชสวามีพระราชสวามีก็ตรัสว่าในขณะที่ขัดสนจนยากอย่างนี้จะไปเอาเสนาที่มีองศี กับน้ำล้างพระขันมาจากไหนพระมเหาสีกระทูลบอกว่าถ้าไม่ได้เห็นไม่ได้ดื่นก็จะตายพระเจ้าทีคีติได้ทรงสด็จนั้ น, น, นก็ทรงเสด็จไปหาพรามปุโรหิตของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งเป็นสหายกันมาและก็ได้ไปเล่าค่ามให้ฟังพรามปุโรหิตนั้นก็ตอบว่าจะขอไปเฝ้าพระมหสีก่อนแล้วก็ได้ไปเฝ้าพระมเหาสีของพระเจ้าทีคีติ ในขณะที่ได้เห็นพระานางเสด็จดำเนินมาก็ประคองอัญเชลีแล้วก็เปล่งอุทานขึ้นว่าราชาแห่งแคว้นโกศลอยู่ในพระขันขอพระเทวีอย่าได้เสียพระไทยจะได้ทอดพระเนตรเห็นเสนาที่มีองค์สี่และจะได้ทรงดื่มน้ำล้างพระขันครั้งแล้วพราหมณ์ปูโรหิตนั้นก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตและก็ได้กราบทูลว่าได้ปรากฏนิมิตขึ้น ซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลาอาทิตย์อุทัยขอให้เสนาที่มีองศ์ซึ่งได้ผูกสอดครบเครื่องออกสนามแล้วจงยกออกไปตั้งเว่ในภูมิอันดีและก็ขอให้จำรละล้างพระขันพระเจ้าพรหมทัตก็ได้โปรดอํนนอยให้ปฏิบัติเหมือนดังที่พราหมณ์โปรโรหิตทูลแนะนำพระมเหสีของพระเจ้าทีคีติก็จึงได้ทอดพระเนตเห็นเสนาที่มีองค์ ในเวลาอทิตย์อุทัยและได้ทรงึืมนามลางพระขันต่อมาพระมเหสีของพระเจ้าทีกิติก็ประสูติพระโอรสก็ได้ประทานพระนามว่าทีขาวุเมื่อทีขาวุกุมารเจริญวัยขึ้นพระราชบิดาก็ทรงกํำริ์ว่าถ้าจะให้อยู่ด้วยกันถ้าพระเจ้าพรหมทัตทรงทราบก็จะจับไปกระทำอันตรายเสียทั้งหมดเพราะฉะนั้น จึงได้ส่งแยกให้ทีขาวุกุมารประโยชนเสียอีกส่วนหนึ่งและก็ส่งให้เล่าเรียนศึกษาศิลปะวิทยาพระราชกุมาร น, นั้นก็ได้ทรงศึกษาศิลปะวิทยาอยู่ในภายนอกพระนครต่อมาช่างกระบบเก่าของพระเจ้าทีกิติแห่งแควนโกศลเมื่อแควนนั้นได้ตกอยู่ในครอบครองของพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ได้มารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าพรหมทัตวันหนึ่ง ได้ไปเห็นพระเจ้าทีกิติซึ่งเป็นเจ้านายเก่าของตนเข้าพร้อมกับพระมเหสีก็จำได้จึงได้มากราบทูลพระเจ้าพรหมทัตพระเจ้าพรหมทัตจึงโปรดให้เป็นนาเอาพระเจ้าทีกิติกับพระมเหสีมาและก็ได้โปรดให้จองจำด้วยเครื่องพันธนาการและก็ให้ประทับอยู่ในรถและให้พาตระเวรไปตามถนนสี่เพ่งสามเพ่งในพระนครและก็ได้สั่งว่า เมื่อได้ประเวณไปทั่วแล้วก็ให้นําออกไปภายนอกพระนครแล้วก็ให้ตัดออกเป็นสีท่อนเสียประจานไว้ในขณะที่เขาได้นําทั้งสองพระองค์ประเวณไปในพระนครนั้นก็พอดีที่ขาวอุกุมารมีความคิดถึงพระราชบิดาและพระราชมารดาก็ได้เข้ามาเพื่อจะเยี่ยมครั้นมาเห็นเขากาลังประเวณพระองค์อยู่ก็ตามไปดูพอดี ทั้งสองพระองค์นั้นก็ได้ทรงเห็นพระราชาโอรสพระเจ้าทีคีติก็ได้ตรัสขึ้นลอยๆว่าดูก่อนทีคาวุจงอย่าเห็นยาวอย่าเห็นสั้นเวนย่อมไม่ระงับด้วยเวนแต่ว่าเวนระงับด้วยความไม่มีเวนพวกมนุษย์ก็พากันกล่าวว่าพระเจ้าทีคีติทรงเสียสติ ใครเป็นทีขาวุได้ตรัสดัง น, นี้แก่ใครแต่พระเจ้าทีกิติก็ทรงตรัสอยู่อย่างนั้นสองสังครั้งและก็ตรัสว่าพระองค์มิได้ทรงเสียสติวินยูชนก็จะรู้ได้ทีขาวุกูมารก็คงไม่กล้าที่จะได้แสดงพระองค์ว่าเป็นพระราชาโอกระก็ได้ปักบออยู่กับหมู่ชนฝ่ายพวกเจ้าหน้าที่ เมื่อได้นำทั้งสองพระองค์ตระเวนไปทั่วแล้วก็ได้นําออกนอกเมืองแล้วก็ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญชาแล้วก็ตั้งกองเฝ้าพระสบถูกเสียบนั้นไว้อยู่พระราชกุมารก็ได้ทรงหาสุรามามองพวกนั้นจนเมาแล้วก็เก็บพระสบมาถวายพระเพลินแล้วก็รีบเสด็จหนีออกไปจากเมืองและต่อมาก็ได้เข้ามาในพระนคร น, นั้น และได้เข้าไปฝากตัวทํางานอยู่กับนายหัตถาจารย์คืออาจารย์ฝึกช้างของพระเจ้าถิ่นดิงนงนายหัตถาจารย์ก็ได้รับไว้ให้ศึกษาในวิชาเกี่ยวกับช้างในตอนเช้าพระราชกุมารก็ลุกขึ้นแต่เช้าและก็ได้ดีดพินกับกับร้องประสานเสียงพินพระเจ้าพรหมทัตตื่นบรรทมขึ้นตอนเช้าทรงได้สลับเสียงนั้นก็ได้ตรัสถาม เก็โูนให้ทรงทราบว่าเป็นเสียงพินและเสียงขับของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิของหัตถาจาร์ก็ได้ตรัสให้นําเอามานุษย์นั้นเข้าเฝ้าเจ้ามัธย์ก็ได้นําทีขาวุกุมารเข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตได้เห็นทีขาวุกุมารก็เกิดโปรดปรานและก็ได้ทรงรับไว้ให้เป็นมหาเล็กใกล้ชิดทีขาวุกุมารก็ได้ตั้งใจรับราชการปฏิบัติพระเจ้าพรหมทัตเป็นอย่างดีเป็นต้นว่า เป็นผู้ตื่นก่อนนอนที่หลังคอยรับสนองพระราชบัญชาในกิจการต่างๆประพฤติสิ่งที่เป็นที่ต้องพระราชอัธยาศัยและเพชรทูลด้วยถ้อยคําเป็นที่ต้องพระราชฤาไทพระเจ้าพรหมทัตก็ยิงท่งโปรดปรานจนถึงทรงตั้งไว้ในที่ของบุคคลผู้คุ้นเคยในภายในในวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตก็โปรดให้ทีขาวุกุมารเทียงราชรถ เพื่อจะเสด็จไปส่งล่าเนื้อที่ขาวกุมารก็ได้ปฏิบัติตามพระราชประสงค์พระเจ้าแผ่นดินก็ได้ส่งราชรถได้มีทีขาวกูมารเป็นผู้ขับมา้าพระกุมารก็ได้ขับราชรถไปโดยเร็วจนถึงเสนาตามไม่ทันและได้เข้าไปในป่าจนถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็หยุดรถพระเจ้าพรหมทัตได้โปรโดให้พระราชกุมาร น, นั่งลงและพระองค์ก็ทรงบันทม โดยหนุนพระเสียรอยู่บนตักของทีขาบุกุมารแล้วก็บันทมหลับไปในขณะนั้นทีขาวุกุมารก็ได้ระลึกถึงเวรเก่าว่าบ้านเมืองของเราก็พระเจ้าพรหมทัตนี้ได้ส่งย่ำยีมารดาบิดาของเราก็พระเจ้าพรหมทัตนี้ก็ได้ส่งฆ่าเสียก็ถึงเวลาที่จะจัดการชำระเวรกันเสียสักทีหนึ่ง จึงได้ชักพระขันขึ้นจากฝักแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ระลึกถึงพระบรมบราโชวาทที่พระราชบิดาได้ให้ไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเป็นต้นก็ระลึกขึ้นได้ว่าไม่ควรจะละเมิดคำของบิดาก็ได้สอดพระขันเข้าไว้ดังเดิมครั้งที่สองก็เกิดรลึกถึงเวรเก่าขึ้นมาก็เกิดความคิดที่จะจัดการําระเวรให้สิ้นเหมือนดังนั้น ก็ชักพระขันออกมาอีกแล้วก็ทรงระลึกถึงพระโอวาทของบิดาขึ้นมาก็สอบพระขันกลับในครั้งที่สามก็เป็นอย่างนั้นในขณะที่ได้สอบพระขานกลับในครั้งที่สมนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ตื่นบรรทมเสด็จลุกขึ้นอย่างทลันพลันแล้วก็ตรัสว่าได้ทรงฝันเห็นทีเขากุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าทีกิติประหารพระองค์ด้วยพระขันจึงได้ตกพระไัยตื่นบรรทมขึ้น ทีขาวุกุมานก็จับพระเสียงของพระเจ้าพระมทัศด้วยหัดเบื้องซ้ายแล้วประชับพระขันออกด้วยหัดเบื้องขวาแล้วก็ประกาศตนขึ้นว่าเรานี้คือเป็นโอรสของพระเจ้าทีคีติซึ่งชื่อว่าทีขาวุกุมานนั้นพระองค์ได้ทรงทําความพินาศให้แก่บ้านเมืองให้แก่มารดาบิดาเป็นอันมากบัดนี้ก็ถึงเวลาที่จะชำระเวรกันเสีทีหนึ่ง พระเจ้าพรหมทัตยิ่งตกทไทยแล้วก็ทรงเหมาะพระองค์ลงขอชีวิตแก่ทีขาวกุมารทีขาวกุมารก็ทูลบอกว่าตนอาจจะถวายชีวิตแก่พระองค์ได้อย่างไรก็ขอให้พระองค์ประทานชีวิตให้แก่ตนด้วยพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสว่าก็ถ้าอย่างนั้นก็เจ้าจงให้ชีวิตแก่เราเราก็จะให้ชีวิตแก่เจ้าเป็นอ น, นุาทั้งสองฝ่าย ต่างก็ได้ให้ชีวิตแก่กันและกันแล้วก็ได้กระทําการสมบสาบาลเพื่อที่จะไม่ประทุสร้ายกันต่อไปพระเจ้าพรหมทัตก็เสด็จขึ้นประทับบนรถและขี่ขามกุมารก็ได้ขับรถกลับสู่พระนครครั้นเมื่อเสด็จกลับเข้าไปถึงพระนครแล้วก็ได้ตรัสให้ประชุมเสนานอํามาตย์แล้วก็ได้ตรัสถามขึ้นในที่ประชุมว่าถ้าหากว่าท่านเท็จ ถ้าหากว่าทำทั้งหลายเห็นทีขาวูกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าทีคีติจะทําอย่างไรพวกอมตะเหล่านั้นก็ทูลว่าจะตัดมือบ้างจะตัดเท้าบ้างจะตัดศรีรษะบ้างเป็นต้นพระเจ้าพระมทัทก็ตรัสขึ้นว่านี่แหละเป็นทีขาวูกุมารซึ่งเป็นพระโอรสของพระเจ้าทีคีติแต่ว่ากุมานี้ใครๆไม่ได้เพื่อจะทําอะไรอะไรทั้งนั้นเพราะกุมานี้ ได้ให้ชีวิตแก่เราและเราก็ได้ให้ชีวิตแก่กุมานี้ต่อจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ได้ตรัสถามขึ้นว่าในขณะที่บิดาของเจ้าจะตายได้กล่าวไว้เป็นโอวาทแก่เจ้านั้นมีความหมายอย่างไรที่ขาวกูมารก็ได้ทูลอธิบายว่าที่ตรัสไว้ว่าอย่าเห็นแก่ยาวก็คือว่าอย่ากระทาเวรให้ยาวที่ตรัสว่าอย่าเห็นแก่สั้น คือว่าอย่าแตกมิดให้เร็วนักแลวก็ติตรัสว่าเวนย่อมไม่ระงับด้วยเวนนั้นก็คือว่าถ้าหากว่าข้าพระองค์จะพึงปลงเทวะจากชีวิตฝ่ายพวกที่จงรักพักตีต่อเทวาก็จะปลงข้าพระองค์จากชีวิตแล้วก็พวกที่จงรักพักตีต่อข้าพระองค์ก็จะปลงชีวิตพวกนั้นต่อไปอีกก็เป็นอันว่าเวนไม่ระงับด้วยเวน แต่ว่าเมื่อข้าพระองค์ได้ทรงถวายชีวิตแก่เทวะแล้วก็เทวะประธานชีวิตแก่ข้าพระองค์เหมือนดังนี้เวนก็เป็นอันระงับด้วยความไม่มีเวนเพราะฉะนั้นบิดาของข้าพระองค์จึงได้โอวาดไว้ในเวลาที่จะตายว่าเวนย่อมไม่ระงับด้วยเวนแต่ว่าย่อมระงับด้วยความไม่มีเวน พระเจ้าพรหมทัตก็ทรงสรรเสริญพระราชกุมารและได้พระราชทานแคว้นโกศลพร้อมทั้งผลพาณาสมบัติทั้งหมดซึ่งเป็นของพระราชบิดาซึ่งพระองค์ทรงยึดมานั้นคืนแก่ทีขาวุกุมารทุกสิ่งทุกอย่างและก็ได้พระราชทานพระราชธิดาของพระองค์ด้วยต่อจากนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่าแม้พระเจ้าแผ่นดินเหล่านั้น ซึ่งได้มีศาสตราอาวุธอยู่ในพระหัต์ก็ยังมีขันติความอดทนโสรจัตรความ ส, มมสงบสงียมเหมือนอย่างนั้นและข้อที่ทั้งทั้งหลายบทในธรรมวินัยที่กล่าวดีแล้วอย่างนี้จะพึงเป็นผู้มีขันติโสรจัตรก็จะเป็นความงดงามในพระธรรมวินัยนี้ดังนี้เมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทได้ทรงยกเอาเรื่องเก่ามาเล่าเหมือนอย่างนั้น พิสุเหล่านั้นก็ยังยืนยันที่จะไม่ปรองดองกันต่อไปอีกพระพุทธเจ้าก็ทรงเห็นว่ายังไม่อาจที่จะกระทําให้ตกลงกันได้โดยง่ายแล้วก็ได้เสด็จออกจากอาสนะและก็ได้เสด็จหลีไปตามที่เล่ามานี้เป็นความย่อในโกสามพิกะขันธกะที่ท่านเล่าไว้เรื่องทีขาวุกุมานี้เจ้าพระควรสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหล ว, วงวชิรญาณวงศ์ ได้ส่งประพันธ์เป็นฉันไว้เรียกว่าทีคาวุคำฉันนับว่าเป็นเรื่องที่มีกติสอนใจเรื่องหนึ่งต้นเหตุของสังฆเภทเรื่องความแตกแยกร้ารานกันของสงที่เกิดขึ้นในกรมโกสัมพีในรัฐหวังสะนั้นในชั้นบาลี คือตำราพระพุทธศาสนาที่เป็นรุ่นแรกเรียกว่าชั้นบาลีไม่ได้กล่าวไว้ว่าเกิดขึ้นอะไรและเกิดขึ้นในหรือน อ, อกภรษาส่วนในหนังสือชั้นอัตรกรถาคืออธิบายความของบาลีซึ่งแต่งเมื่อพระพุทธศาสนาล่วงแล้วหลายร้อยปีโดยมากก็กำหนดกันว่าขนาดพันปีจึงได้มีกล่าวไว้ว่าเกิดขึ้นในพรษาที่9นับแต่เมื่อพระพุทธเจ้า ได้ตรัสโลแล้วและในจา น, นอัตถกถานั้นก็ยังได้เล่าเรื่องพิสดารออกไปอีกคือเล่าว่าพระพิสุสองรูปที่เป็นต้นเหตุนั้นก็คือพระธรรมทอนรูปหนึ่งพระวินัยทองรูปหนึ่งพระธรรมทอนแต่ว่าเรียกโดยมากว่าพระธรรมกถึกได้ไปวัดจักุดีซึ่งมีบัญญัติให้ใช้น้ําและไม่ให้เหลือน้ําทิ้งไว้ในภาชนะน้ําแต่ว่าพระธรรมกถึก เข้าวั จ, จกุดีแล้วก็เหลือน้ําทิ้งไว้ในภาชนะน้ําพระวินัยทรเข้าไปที่หลังออกมาก็บอกแก่พระธรรมกติกว่าท่านเหลือน้ําทิ้งไว้ในภาชนะน้ําต้องอาบัตพระธรรมกติกก็ตอบบอกว่าท่านไม่รู้ว่าเป็นอาบัตเพราะเหตุที่กระทํานั้นแต่ว่าเมื่อเป็นอาบัติท่านก็จะแสดงพระวินัยทรก็บอกว่าเมื่อไม่จงใจก็ไม่เป็นไรแล้วก็แยกกันแต่ว่าพระวินัยทร เมื่อกลับมาแล้วก็แจ้งแก่พวกลูกศิษย์ของตนว่าพระธรรมกถึกต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้ว่าเป็นอาบัตฝ่ายพวกลูกศิษย์ของพระวินัยทรก็บอกแก่ลูกศิษย์ของพระธรรมกรถึกว่าอุปชาอาจารย์ของท่านต้องอาบัติแล้วก็ไม่รู้พวกลูกศิษย์ก็บอกอาจารย์อาจารย์ก็บอกว่าก็พระวินัยทรบอกว่าไม่เป็นอาบัติเพราะว่าไม่ได้จงใจแล้วกลับมาว่าเป็นอาบัติพระวินัยทรพูดมุสาวา พวกลูกิก็กลับไปบอกก็เลยเกิดวิวาททุ่มเถียงกันแตกกันเป็นสองขั้จนถึงฝ่ายพระวินัยทรได้โอกาสก็ทําอุกเคปนิยกรรมคือว่าประกาศยกวัดพระธรรมกระถึกก็เป็นเรื่องให้ทั้งสองฝ่ายนั้นแตกกันจนถึงกลับไม่ลงบทกันซึ่งเรียกว่าเป็นสังฆเพศคือสงแตกกันอันหมายความว่าเมื่อเกิดแตกแยกกันดังกล่าวนั้นจนถึงไม่ร่วมทําสังฆกรรมด้วยกันในภาษาไทยเราเรียกว่า ไม่ลงโบสถ์กันคือไม่ทําอุโบสถร่วมกันไม่ทําปวารณาร่วมกันไม่ทําสังฆกรรมต่างๆร่วมกันเป็นต้นต่างก็แยกกันทําเมื่อเป็นดังนี้จึงเรียกว่าเป็นสังฆเภทและทั้งสองฝ่ายนั้นก็เรียกว่าเป็นนานาสังวาสกะของกันและกันคือว่ามีทําเป็นเครื่องอยู่ต่างกันหมายความว่าแยกกันกระทําสังฆกรรมเป็นต้นพระพุทธเจ้า ก็ได้ทรงดําเนินการระงับด้วยพระองค์เองด้วยประธานพระโอวาทเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นยอมผ่อนปรนเข้าหากันแล้วก็ทรงเตือนฝ่ายที่ทําการยกวัดว่าก็ไม่ควรจะรีบลุ้ลผันกระทําเมื่อเห็นว่าจะแตกการพระเหตุนั้นก็ยังไม่ควรจะกระทําก่อนก็ทรงเตือนอีกฝ่ายนึงว่าเมื่อส่วนมากก็เห็นว่าเป็นอาบัตก็ควรจะเชื่อเขาแล้วก็กระทําคืนเสียเรื่องก็จะไม่บังเกิดขึ้นร้ายแรง และจนถึงได้ตรับเรื่องสีขาวกุมารปกรมโดยความก็คือแน้พระราชาผู้ปกครองแว่นแหวนซึ่งต่างก็มีอาวุธอยู่ในมือด้วยกันและต่างก็ได้เคยทำลายล้างกันชิงบ้านชิงเมืองชิงทรัพย์สมบัติประหัตประหารกันแต่ในที่สุดก็ยังให้อภัยกันและปรองดองกันได้ก็ทำไมพวกภิกษุซึ่งไม่มีเรื่องอะไรหนักหนาเพียงแต่ทุ่งเถียงกันดรืยอาบัตเล็กน้อยว่า ข้อนี้เป็นอามัดข้อนี้ไม่เป็นอามัดเท่านั้นก็ควรที่จะปรองดองกันได้และในที่อื่นเช่นในโกสัมปิยสูตรสูตรที่ปรัสในกรุงโกสัมพีก็ได้กล่าวว่าได้ทรงประทานพระโอวาทด้วยสารานิยธรรมหกประการดังที่มีความแจ้งอยู่ในสารานิยธรรมหกในหมวดหกนั้นแต่ก็ยังไม่เกิดความปรองดองขึ้นได้จึงได้เสด็จหลีออกจากกรุงโกสัมพี ไปประทับอยู่ในป่าที่เรียกกันว่าปาริทเลยอากาศไทยเราเรียกว่าป่าเลัยและในชั้นบาลีก็มาได้บอกว่าจำพรรษาที่นั่นแต่ว่าในชั้นอัตถกถาได้เล่าว่าได้ประทับจำพรรษาอยู่ที่ป่าปาริทเลยอากาศนั้นเป็นพรรษาที่สิเพราะฉะนั้นเมื่อแบ่งตามที่พระอัตถกถาจารย์ทันว่าไว้ ก็ควรจะเริ่มพรรษาที่สติตั้งแต่เสด็จออกจากกรุงโกสัมพีเสด็จสู่ปาริเลยยกับสำหรับในชั้นบาลีนั้นได้มีเล่าสืบต่อกันว่าเมื่อพระพุทธเจ้าได้ประทานพระโอวาทให้ปรองดองกันไม่สำเร็จในวันรุ่งขึ้นก็ทรงถือบาทจีวรเสด็จเข้าไปบิณฑบาตในกรุงโกสัมพีครั้นเสด็จกลับจากบิณฑบาตแล้วก็ทรงเก็บเสนาสนะ ทรงถือบาจีวรของพระองค์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ประทับยืนในท่ากลางสงได้ตรัสขึ้นโดยความว่าบุคคลที่มีเสียงดังเป็นคนสมเหัุสมผลักคนหนึ่งก็ไม่รู้สึกว่าตนเป็นคนเขาเมื่อสงกำลังแตกกันอยู่ก็ไม่บังเกิดความรู้สึกถึงเหตุผลอื่นๆยิ่งไปกว่าทะเลาะวิวาทกันผู้ที่หลงลืมสติแสดงท่าว่าเป็นบัณฑิตคือผู้ฉลาด มักจะเป็นคนที่เอาแต่เที่ยวพูดเพ้อเจ้อไม่เป็นสาระปรารถนาที่จะต่อปากต่อคำกันออกไปก็ย่อมจะไม่รู้สึกถึงการทะเลาะวิวาทที่เป็นเหตุชักจูงให้เป็นไปบุคคลที่ผูกโกรธอยู่ว่าผู้นั้นได้ด่าเราได้ทำร้ายเราได้ชนะเราได้ลักสิ่งของของเราไปเวรของชนเหล่านั้นย่อมไม่สงบ ส่วนบุคคลที่ไม่ผูกโกรธอยู่ดังนั้นเวรของเขาย่อมสงบระงับได้เพราะว่าเวรย่อมไม่ระนับด้วยเวรในการไหนไหนแต่ว่าย่อมระนับด้วยความไม่จองเวร น, นี้เป็นธรรมที่เก่าคนอื่นๆย่อมไม่รู้สึกว่าพวกเรากําลังจะย่อยยับ ก, กันอยู่นับบัดนี้จึงพากันทะเลาะวิวาทส่วนว่าบุคคลเหล่าใด ย่อมรู้ในหมู่ชนนั้นความหมายมั่นก็ย่อมสมมงบระงับไปเพราะเหตุที่มีความรู้นั้นคนที่เป็นคู่เวรกันจนถึงกับตัดกระดูกของกันฆ่าชีวิตกันลักทรัพย์สมบัติเป็นต้นว่าโคมา้าทรัพย์ต่างๆตลอดจนถึงตีบ้านตีเมืองกันก็ยังมีความสามัคคีฟรองดองกันได้เพราะเหตุใดท่านทั้งหลายจึงจะปรองดองกันไม่ได้ ถ้าว่าบุคคลพึงได้สหายที่คล้ายคลึงกันที่จะเที่ยวไปด้วยกันได้และที่เป็นผู้ทรงปัญญามีปกติอยู่ด้วยกรรมที่ดีที่ชอบครอบนำอันตรายได้ทั้งหมดก็พึงมีใจยินดีมีสติเที่ยวไปกับผู้นั้นแต่ว่าถ้าไม่ได้สหายเช่นนั้นก็พึงเที่ยวไปคนเดียวเหมือนอย่างพระราชาละแว่นแขวนที่ชนะแล้วทเที่ยวไปพระองค์เดียว หรือเหมือนอย่างช้างชื่อว่ามาตังคะเที่ยวไปผู้เดียวความเที่ยวไปของบุคคลผู้เดียวดีกว่าเพราะว่าความเป็นสหายในคนผ่านไม่มีดีอะไรบุคคลพึงเที่ยวไปคนเดียวและไม่กระทำบาปกรรมทั้งหลายมีความขนขวายน้อยเหมือนอย่างช้างมาตังคะเที่ยวไปในป่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสในท่านกลางสงฆ์ที่วิวาทกันโดยความดัง น, นี้แล้ว ก็ได้เสด็จออกจากโคสิตา ร, รามนั้นไปสู่หมู่บ้านของคนทําเกลือออ่อนหมู่บ้านหนึ่งณที่นั้นก็ได้ทรงพบกับพระภิกษุรูปหนึ่งชื่อว่าท่านปคุท่านได้ต้อนรับพระผู้มีพระภาคพระองค์ก็ได้ทรงทําปฏิสันถานการปฏิสันถานใช้ถ้อยคําทั่วไปตามสํานวนในเวลานั้นคือว่าพอทนได้อยู่หรือยังพอเป็นไปได้อยู่หรือ ไม่ลำบากด้วยบินทบาตหรือเหมือนอย่างเราทักกันในภาษาของเราว่าสบายดีหรือแต่ว่าสําหรับในสำนวนครั้งนั้นไม่ได้ถามว่าสบายดีหรือถามว่าพอทนได้หรือพอเป็นไปได้หรือไม่ลำบากด้วยบินธบาตหรือท่านพระคุก็ตอบให้ทรงทราบว่าพอทนได้พอเป็นไปได้ไม่ลำบากด้วยบินธบาตพระองค์ก็ได้ตรัสเทศนาให้เกิดความเห็นแจ้งในธรรม แล้วก็เสด็จต่อไปยังป่าที่ชื่อว่าป่าจีนวังสัทไทยวันซึ่งเป็นที่อยู่ของพระเถระสารูปคือ 1. พระอนุรุทธะต์ 2. พระนันทิยัส 3. พระกินพิลัก์ท่านทั้งสามนั้นก็ได้ถวายการต้อนรับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ทรงทมปฏิสันฐานเช่นเดียวกันนั้นแต่ว่าพระท่านอยู่กันถึงสามรูปพระพุทธเจ้าจึงตรถามว่า ทั้งสามรูปนี้ได้อยู่ปรองดองกันไม่บาดหมางกันมองดูกันและกันด้วยจักสุขที่เป็นที่รักเหมือนอย่างเป็นผู้ร่วมน้ํานมเดียวกันถือว่าร่วมหมานดากันอยู่หรือท่านทั้งสามนั้นก็ได้กราบทูลว่าอยู่ปรองดองกันเรียบร้อยพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสถามว่าได้ปฏิบัติกันอย่างไรจึงได้อยู่ปรองดองกันดีท่านทั้งสามนั้นก็ได้กราบทูลว่า ท่านได้พากันคิดว่าเป็นลาภของเราเราได้ดีแล้วที่ได้มาอยู่ร่วมกับพระมาราลีทั้งหลายเหมือนเช่นนี้จึงได้พากันตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในการและกันทั้งไหนที่ลับทั้งไหนที่แจ้งและก็ได้พากันคิดว่าชะไหนเราแต่ละรูปจะพึงเก็บจิตของตนและประพฤติไปตามอำนาจแห่งจิตของอีกสองท่าน เมื่อได้คิดดังนั้นแล้วจึงได้ประพฤติไม่เอาแต่ใจของตอนเองแต่ว่าคิดถึงใจของผู้อื่นและอนวัตตามเมื่อต่างพากันคิดถึงใจของผู้อื่นไม่เอาแต่ใจของตอนและก็อนุวัตตามกันอยู่ดังนี้ถึงแม้ว่ากายจะต่างๆกันแต่จิตก็เหมือนอย่างเป็นอันเดียวกันท่านทั้งสาได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าดังนี้ท่านปฏิบัติดังนี้ จึงได้มีความฟรองดองกันดีอยู่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามต่อไปว่าทั้งสามรูปนั้นได้พากันอยู่ด้วยความไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปยิ่งยิ่งขึ้นอยู่หรือท่านทั้งสามก็ได้กราบทูลว่าก็ได้พากันอยู่ด้วยความไม่ประมาทเหมือนดังนั้นพระพุทธเจ้ากรเลยตรัสถามว่าปฏิบัติอย่างไรที่บอกว่าอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั้นท่านทั้งสามก็ได้กราบทูลว่า ทั้งสามรูปนั้นรูปใดกลับจากบิณฑบาตก่อนรูปนั้นก็ปูราดอาสนะเปรียมน้ําล้างเท้าต่างล้างเท้าผ้าจัดขาไว้ล้างภาชนะสําหรับใช้สอยตั้งไว้และตั้งน้ําดื่มน้ำใช้ไว้ส่วนรูปใดกลับจากบิณฑบาตภายหลังถ้าว่ายังมีพระตาหารเหลืออยู่และถ้าประสงค์ก็ขบฉันแต่ถ้าไม่ประสงค์ก็ทิ้งในที่ที่ไม่มีของสดเขียวหรือว่า โรยลงในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์แล้วก็เก็บอาสนะเป็นต้นปัดกวาดให้สะอาดส่วนรูปใดเห็นหม้น้ำดื่มหม้น้ำใช้หม้อน้ำในวัด จ, จักุวดีว่างเปล่าก็ตักน้ำเติมใส่ไว้ถ้าว่าองค์เดียวไม่สามารถก็ช่วยกันหิวน้ำไปใส่ไว้และได้นั่งสนทนากันด้วยธรรมกถาตลอดราตรีทั้งหมดทุกวันห้าค่าและก็ได้พากันอยู่ด้วยความไมประมาตดังกล่าวมานี้ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมให้ท่านทั้งสามนั้นเห็นแจ่มแจ้งแล้วก็ได้เสด็จต่อไปอยังป่าปาริเลยะกะและก็ได้ประทับอยู่ที่ดงชื่อว่ารักิตวันใกล้กับปาริเลยะกะ น, นั้นท่านแสดงว่าได้ประทับอยู่ที่โคนไม้สาละต้นหนึ่งซึ่งเป็นต้นโตใหญ่อยู่ในดงนั้นปาริเลยะกะ น, นั้นท่านว่าเป็นชื่อของหมู่บ้านคือว่าเป็นหมู่บ้านป่า และก็มีดงอยู่ในที่ใกล้กันนั้นชื่อว่ารักิตวันพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ดงรักกิตวันนั้นพระองค์ก็ได้ทรงคำนึงถึงว่าได้ประทับอยู่อาเกียนคือเกลื่อนกลนวุ่นวายไปด้วยเหนุ่มภิกษุชาวกรุงโกสัมพีที่ทะลาะวิวาทกันบัดนี้ได้เสด็จประทับอยู่ในป่าดงพระองค์เดียวมีความผาสุกในสมัยนั้นได้มีช้างป่าเชือกหนึ่ง ก็ได้ทิ้งฝูงมาอยู่ปฏิบัติพระพุทธเจ้าที่ดงรั ก, กิตวันนั้นใช้งวงทำการแกล้งถางทำพื้นที่ให้สะอาดและหาน้ำดื่มน้ำใช้มาถวายพระพุทธเจ้าสำหรับในชั้นบาลีก็มีเล่าเรื่องในขณะที่ประทับอยู่ที่ป่ า, ป, าป่าริเริยกระเพียงเท่านี้แต่ว่าในชั้นอัตตกถานนั้นได้มีเล่าขยายความถึงวิธีที่ช้างปฏิบัติพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างไร และได้มีความรักนับถือในพระพุทธเจ้าอย่างไรทางการรักษาพระองค์อย่างไรและก็ได้เล่าถึงเรื่องวานนอนตัวหนึ่งได้เห็นช้างมาปฏิบัติพระพุทธเจ้าอยู่ก็คิดอยากจะปฏิบัติบ้บางจึงไปหักเอารวงพึ่งเก็บเอาตัว อ, อั่ อ, อนออกหมดและก็ได้ไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงรับแล้วก็ทอดพระเนตรเฉลยอยู่วานอนอ น, นั้นก็ตรวจ ด, ดูเห็นยังมีตัวอ่อนอยู่ ก็เอาออกอีกจนสิ้นตัวอ่อนแล้วก็ได้ถวายพระพุทธเจ้าอีกพระองค์ก็ได้ทรงบริโภคเสวยน้ําพึ่งนั้นวาหน่อ น, นั้นก็มีใจยินดีขึ้นต้นไม้ก็เต้นจนกิ่งไม้หักลงมาเสียบเข้ากับตอไม้ข้างล่างก็กระทําการกิริยาในขณะนั้นเรื่องลิงนี่ในชั้นบาลีไม่มีแต่ว่ามามีเล่าไว้ในชั้นอัตกถาพระปาริเลยะกะเมืองไทยเรา ก็นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปบูชามีช้างมีลิงและที่สร้างไว้องค์โตก็ที่จังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาพระพุทธเจ้าได้ประทับอยู่ที่ป่าป า, ปาริเล ย, ยกระนั้นตามพระพุทธอัธยาศัยแล้วก็ได้เสด็จออกจาริากไปสู่กรุงสาวัตถีในชั้นบาลีมีเล่าไว้ท่านี้แต่ว่าในชั้นอัตถกถา ได้มีเล่าไว้โดยพิศดารความย่อว่าบรรดาเศษรษฐีเครหบดีซึ่งเป็นชานครสาวถีผู้นักถือพระพุทธศาสนาได้ขอให้พระอนนต์ไปทูลเชิญเสด็จกลับมาไปสู่กรุงสาวถีพระอ น, นุ์พร้อมกับภิกษุก็ได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่ป่าริกเลยากะนั้นช้างได้เห็นพระมาะไปอันมากก็ถือท่อนไม้วิ่งไปด้วยคิดว่าเป็นศัตรู พระพุทธเจ้าก็ได้ส่งห้ามว่านั่นเป็นพระอนุ์พุทธอุปถาช้างจึงได้ทิ้งไม้และก็ได้ทําการต้อนรับพระพุทธเจ้าได้เสด็จออกกับพระอนนุ์และพระภิกษุในวันนั้นแต่ช้างก็เดินมายืนขวางทางไว้พระพุทธเจ้าได้ทรงทราบความประสงค์ว่าต้องการทีจ่จะปฏิบัติพระสักวันหนึ่งก็เสด็จกลับไปวันรุ่งขึ้นช้างก็เที่ยวเก็บผลไม้มาถวายพระพุทธเจ้า และพระภิกษุที่พากันไปนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสวยและพระได้ฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เสด็จออกเพื่อจะเสด็จจาริกไปยังกรุงสาวัตถีช้างก็มาขวางหน้าไว้อีกพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสว่านี้เป็นการไปของพระองค์ที่ไม่กลับช้างจึงได้หลีกทางและก็ได้ตามเสด็จเื่อไปจนเข้าเขตคนอยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสห้ามว่า ให้หยุดอยู่แค่นี้เพราะต่อไปเป็นเขตคนอยู่มีอันตรายช้างนั้นก็มีความอาลัยเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จลับครองจากสุภไปก็หัวใจแตกทำการจปรยาท่านเล่าไว้ในอัตถคถาดังนี้และก็เรียกชื่อช้างนั้นว่าช้างป่าิกเลยยะกะตามชื่อป่าที่ช้างได้ไปไปฏิบัติพระพุทธเจ้าเรื่องที่เล่ามานี้ เป็นประวัติเกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาก็เป็นรเรื่องที่ควรจะทราบอยู่บ้างจึงได้นำมาเล่าเป็นการเปลี่ยนรถจากการอธิบายธรรมที่ติดต่อกันมา